ติโยวิวะฌันตุสัพพารองคงวินาสตุมาเตมภวะวันตาไรโยสุขิธ อายุโกวพาวะพิวัฒนธนีสิเลสานิทจังวธาปัจจา ย, ยินโหจารตาโรธร ม, มาวัตธานติอายุวันน้สุขัง ยูโดปาราโดตีโรวานนาโดปฏิพาณโดสุขคาสาดาตาเมธาวีสุขขังสวัติคาสติอายุงรัตวาพลางวานนางสุขขัญจัปฏิพาณโดดีขายุยยาสวะโหติญาทยาตุ ปปัตสติเตปวตุสพาพมังกาลังราคันตุสาปเดวตาธรรมบุตทานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตาวตุสพาพมังกาลังราคันตุสาปเดวตา สัพธามานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตปาวตุสาพมังกาลังราคันตุสาพเดวตาสามาสรฆานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเต